พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้มีความเห็นที่ถูกต้องคือมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงของชีวิตของพวกเราว่าเรากำลังเป็นอะไรกำลังมาทำอะไรกันอยู่ ความจริงก็คือเราเป็นเหมือนนักแสดงละครส่วนโลกที่เรามาอยู่กันนี้ก็เป็นเหมือนโรงละครโดยที่เราได้ของที่เรามาใช้กับการแสดงคือได้ร่างกายได้ทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทอง ได้ยศได้ตำแหน่งต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่โรงละครเขาจัดให้กับนักแสดงเวลาเราไปแสดงละครเขาก็มีผู้เขียนบทผู้กำกับบทเขาก็จะกำหนดให้เราแสดงเป็นบทต่างๆแสดงเป็นหญิงเป็นชาย เป็นคนจนเป็นคนรวยเป็นคนสูงเป็นคนต่ำเป็นคนฉลาดเป็นคนโง่เป็นคนพิการคนไม่พิการนี่คือบทบาทต่างๆที่ผู้เขียนบทผู้กำกับบทของโรงละครเขาเขียนไว้ให้กับนักแสดงแต่ละคน พวกเรานี่เป็นเหมือนนักแสดงแล้วเราก็มารับบทต่างๆตามที่ผู้เขียนบทได้เขียนไว้ให้กับเราเราคือใครเราที่เป็นนักแสดงก็คือจิตใจผู้รู้ผู้คิดส่วนตัวละครก็คือร่างกายร่างกายนี้เป็นตัวละครที่ ได้รับการลิ้ขิตได้การรับได้รับการเขียนบทเอาไว้ให้เรามารับร่างกายแล้วก็มาแสดงตามบทของร่างกายอันนั้นให้เรามาเกิดเป็นหญิงเป็นชายให้มาเกิดในครอบครัวสูงครอบครัวต่ำให้เราเป็นคนฉลาดเป็นคนโง่ ให้เราเล่นบทคนดีเล่นบทคนไม่ดีนี่คือบทบาทต่างๆที่พวกเรากำลังมาสแสดงกันบนเวทีบนโรงละครโรงละครโลกที่เราไม่ดูเราไปหลงคิดว่าเป็นของจริงเราคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราสามารถหามาได้ จากการแสดงบทละครของเราจะเป็นของเราแต่พอบทของเราจบลงพอร่างกายตายลงไปเขาไม่ให้อะไรเราติดตัวไปเลยเจ้าของโรงละครเขาไม่ให้เราเอาของที่เรามาเล่นในในโรงละครนี้ไปกับของเราเป็นไปเป็นของเรา สิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือบทละครบทใหม่ที่เราได้มาเขียนกันในขณะที่เรากำลังเล่นละครกันอยู่นี่คือบุญและบาปที่เราจะเอามาที่เราจะมาใช้ในการแสดงของเราบุญและบาปนี้แหะเป็นสิ่งที่นักแสดงคือจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี้ จะเอาติดตัวไปได้แต่สิ่งอื่นๆที่เป็นของลงละครคือทรัพสมบัติเข้าของเงินทองตัวละครตัวอื่นที่เราคิดว่าเป็นของเราเช่นเป็นสามีของเราเป็นภรรยาของเราเป็นลูกของเราเป็นเพื่อนของเราสิ่งต่างๆที่ เป็นของโรงละครนี้โรงละครเขาไม่ให้เราเอาไปด้วยเวลาแสดงละครจบนักแสดงก็ไปตัวเปล่าๆได้อย่างมากก็คือเงินเดือนเวลาไปเล่นละครก็ตกลงกันไว้ว่าโรงละครจะจ่ายเงินเดือนให้เท่าไหร่เวลาแสดงละครจบส่วนต่างๆที่เป็นประกอบส่วนประกอบของการแสดงเขาก็ ไม่ให้ผู้แสดงเอาไปนักแสดงเอาไปไม่ได้เป็นของโรงละครสิ่งที่นักแสดงเอาไปได้ก็คือเงินเดือนที่ได้มีการตกลงกันไว้โรงละครของโลกนี้ก็เช่นเดียวกันสิ่งต่างๆที่เราได้มาเพื่อแสดงบทของเราตั้งแต่ร่างกายของเรานี้เป็นของโรงละครทั้งนั้น ร่างกายของเราทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เราหามาได้ในขณะที่เราแสดงบทของเราไปบุคคลต่างๆที่เราได้มาเป็นของเราเป็นเพื่อนเราเป็นสามีเป็นภรรยาเราเป็นลูกของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นส่วนประกอบของการแสดงละคร เป็นของโรงละครเขาจัดสรรมาให้เราไม่ได้เป็นของเราพอบทของเราจบลงเขาก็เอาสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของการแสดงละครนี้กลับคืนไปนั่งกายเขาก็เอาคืนไปทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเขาก็เอาคืนไปบุตรธิดาสามีภรรยาเขาก็เอาคืนไป ญาสนิทมิสหายเอาไปหมดเราผู้เป็นผู้เป็นนักแสดงละครเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญหรือบาป ท, ที่เราใช้ในการแสดงละครนี้เท่านั้นนะซึ่งถ้าเราไม่รู้ว่าโลกนี้เป็นโรงละครเราก็อาจจะถูกความหลงของเรานี้ หลอกให้เราไปทำบุญมากกว่าไปทำบาปเพราะว่าการแสดงละครของเรานี้มันมีบทหรือมีตัวผลักดันให้เราต้องไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราก็คือกิเลสตันหาความโลภความอยากต่างๆมันเป็นตัวผลักดันให้เราต้องไปหาสิ่งต่างๆ มาให้กับตัวเราให้เรามีความสุขในขณะที่เราแสดงบทละครต่างๆแล้วการที่จะทำให้เราได้รับความสุขจากการมีสิ่งต่างๆก็อาจจะทำให้เราไปทำบาปกันเพราะการทำบาปนี้มันจะง่ายกว่าการไม่ทำบาป เวลาที่เราอยากจะได้อะไรง่ายๆมากๆเร็วๆ <c oughs> การทำบาปนี้จะเป็นการที่จะทำให้ได้สิ่งที่เราอยากได้มาได้ง่ายได้มากและได้เร็ว <c oughs> <c oughs> เพื่อจะได้ตอบสนองความอยากความต้องการของเรา ที่เราอยากจะได้มีความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากบุคคล น, นั้นจากบุคคล น, นี้ yeah. เราก็จะหลงไปทำบาปกันถ้าเราไม่รู้ว่าการทำบาปของเรานี้เป็นการเขียนบทละครบทต่อไปของเราหลังจากที่เราจบจากละครโรงนี้แล้ว การทำบาปของเราจะเป็นตัวเขียนบทให้เราไปแสดงบทต่อไปในโรงละครลงลงต่อไปซึ่งจะเป็นบทที่ไม่ดีแต่เราไม่รู้กันในทางตรงกันข้ามถ้าเราสามารถที่จะหาสิ่งต่างๆได้ เพื่อมาให้เราให้เรามีความสุขโดยที่เราไม่ต้องทำบาปและสามารถหามาได้มากกว่าที่เราต้องการเราก็อาจจะคิดอยากจะทำบุญเพราะเมื่อเรามีสิ่งมากกว่าที่เราจะต้องมีจะต้องใช้เก็บไว้เฉยๆก็ไม่มีประโยชน์อะไร เห็นคนอื่นเขาทุกข์ยากเดือดร้อนก็อยากจะให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้ทำบุญกันแ ล, แล้วเราก็บุญนี้ก็จะเป็นผู้กำกับเขียนบทให้เราไปสแสดงบทที่ดีในโรงละครต่อไปอันนี้เป็นความจริงที่พวกเราอาจจะไม่รู้กัน ถ้าเราไม่ได้มาพบกับคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกที่เป็นเหมือนตัวละครเหมือนเวลาที่เราแสดงเราก็จะไปเจอกับคนนั้นคนนี้ บางทีเราก็เจอกับคนดีคนไม่ดีคนฉลาดคนไม่ฉลาดเขาก็จะมีข้อแนะนำตามความรู้ของเขาคนไม่ดีก็จะแนะนำให้เราไปทำไม่ดีเพื่อจะได้มีสิ่งต่างๆได้ง่ายได้รวดเร็วคนที่ดีเขาก็จะสอนให้เราไปทำความดีเพอทำความดีแล้วก็ ทำให้เรามีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีโทษตามมาถ้าเราได้มาเจอกับคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวุก ข, ของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเรากำลังมาเล่นละครกัน สิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นของเรานี้มันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของเราชั่วคราวเท่านั้นเองมันเป็นของที่เราจะต้องคืนเจ้าขอ ง, งคืนโรงละครไปของทุกอย่างที่เราได้มาในโลกนี้เป็นของโลกนี้โลกนี้เป็นโรงละครเราไม่ได้เป็นตัวละครคือร่างกายเราเป็นผู้ ใช้หรือสั่งให้ร่างกายมาแสดงบทบาทต่างๆโดยที่เราไม่รู้ว่าเรากับตัวละครนี้เป็นตัวคนละตัวกันเราไม่รู้ว่าเราเป็นนักแสดงส่วนร่างกายนีเน้เป็นเหมือนตัวละครที่เรามาใช้ในการแสดงละคร เ, เราก็อาจจะไม่รู้ว่ า, าการที่เรามา ทำอะไรต่างๆมาหาความสุขอะไรจากสิ่งต่างๆนี่เป็นการแสดงละครเป็นการเป็นการกระทาที่มีผลเพียงเชื่อขณะที่เราแสดงพอหลังจากที่เราเลิกแสดงบทต่างๆที่เราได้แสดงไว้ก็จะหมดไป ใช่ ห, หมเหมือนเวลานักแสดงเวลาเขาไปแสดงละครเขาก็แสดงเป็นบทต่างๆพอละครเลิกเขาก็กลับบ้านเขากลับบ้านเขาก็ไม่ได้เอาบทละครติดไปกับบ้านกลับไปกับบ้านไปแสดงที่บ้านต่อถ้าไปแสดงที่บ้านต่อเดี๋ยวคนที่บ้านเขาจะว่าบ้านเพราะว่านั่นเป็นเพียงบทละครที่ให้เขาแสดงขณะที่เขาแสดงอยู่ในโรงละครเอ แสดงเป็นเศรษฐีแสดงเป็นอะไรแต่พอกลับไปบ้านก็ต้องเป็นเป็นคนธรรมดาไปแสดงบทเป็นเศรษฐีเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีคนที่บ้านเขาก็จะหาว่าบ้าเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเพียงนักแสดงพวกเราก็เช่นเดียวกันตอนนี้เราแสดงเป็นบทต่างๆ แล้วเราก็คิดว่าเราเป็นอย่างที่เราแสดงกันแสดงว่าเราบ้าโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะว่าทุกคนบ้าเหมือนกันหมดบ้ากับบทแสดงของตนเองจึงไม่รู้ว่าเป็นคนบ้าด้วยกันสังเกตดูคนบ้าอยู่ด้วยกันนี่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นคนบ้าด้วยกันเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนดี คนบ้าคนหนึ่งก็คิดว่าเขาเป็นนายกคนบ้าคนหนึ่งก็คิดว่าเขาเป็นกษัตริย์คนบ้าคนหนึ่งก็คิดว่าเขาเป็นดาราเขาก็เชื่อกันตามความคิดของเขาคิดว่าเขาเป็นตามที่เขาคิดกันพวกเราก็เหมือนกันตอนนี้เราเชื่อตามความคิดของพวกเราคิดว่าเราเป็นนายกเราเป็นกษัตริย์ เราเป็นขอทานเราเป็นอะไรต่างๆที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้เราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นเพียงตัวละครเท่านั้นเองเรามาเล่นละครตามบทที่ผู้เขียนละครได้เขียนให้เรามาเล่นกันผู้เขียนบทละครนี้ก็คือบุญบาปที่เราได้ทำในโรงละครโรงเก่านั่นเอง เ ร, เราเปลี่ยนเล่นละครมาหลายโรงนะในโรงเก่าเราก็เล่นไปแล้วเราก็เขียนบทใหม่ให้เรามาเล่นต่อในโรงละครโรงใหม่พอเราหมดจากบทบทบาทของโรงละครโรงเก่าเราก็มาเล่นละครโรงใหม่แล้วก็มาเล่นตามบทที่เราได้เขียนไว้ใน ที่เราเขียนไว้ในอดีตในโรงละครโรงเก่าเราก็มักจะเขียนแบบบทซ้ำๆกันเราเคยทำบุญเราก็มักจะทำบุญเราเคยทำบาปเราก็มักจะทำบาปไปแล้วเราก็กลับมาเล่นบทของเราในโลกนี้เราจึงมีคนที่แบ่งเป็นคนที่ทำบุญกับคนที่ทำบาป แล้วก็คนที่แบบครึ่งๆกลางๆทำบุญบ้างทำบาปบ้างก็เพราะว่าในอดีตเขาได้เขียนบทของเขาไว้เป็นแบบนี้เขียนจนติดเป็นนิสัยคนที่มีนิสัยทำบุญก็มักจะชอบทำบุญคนที่มีนิสัยทำบาปก็มักจะชอบทำบาป คนที่ทำบุญจะให้ไปทำบาปก็จะรู้สึกว่ายากไม่อยากทำคนที่ทำบาปจะให้ไปทำบ <S <S ุญก็จะรู้สึกว่ายากไม่อยากทำคนทำบุญก็จะคนที่มีนิสัยชอบทำบุญก็จะรู้สึกการทำบุญนี่ง่ายทำบาปนี่ยากคนที่มีนิสัยทำบาปก็จะรู้สึกว่าทำบุญนี่ยาก ทำบาบนี่ง่าย เ, ออเราจึงมีคนที่มาสแสดงบทละครแล้วก็มาทำบุญด้วยการทำบุญบ้างด้วยการทำบาบ้างโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขากำเนิดเขียนบทละครของบทต่อไปที่เขาจ ะ, สะแสดงไปสแสดงต่อไปในโรงในโรงละครโรงใหมออ่จนกว่าเขาจะได้มา พบกับคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกที่จะบอกว่าเรากําลังแสดงละครกันเราควรที่จะยุติแสดงละครยุติเขียนบทของตัวละครในอนาคตคือเรามายุติการกระทําบาปกันเพราะการกระทําบาปจะทําให้เรา ต้องไปเล่นบทที่ไม่ดีต่อไปในอนาคตหลังจากที่เราจบจากบทนี้ไปแล้วถ้าเราอยากจะไปเล่นต่อแล้วก็ให้ทำแต่บุญถ้าเราไม่อยากจะไปเล่นต่อเราก็มายุติตัวที่มาผลักดันให้เรามามาทำบุญมาทำบาปก็คือ ตัวกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้เรามาหยุดการหาความสุขจากการแสดงละครแล้วให้เรามายุติการแสดงบทบาทต่างๆให้เปลี่ยนจากการเป็นตัวละครมาเป็นตัวดูเป็นตัวทู ด, ดูมาดูละครมาดูคนอื่นเขาแสดง เราไม่ต้องมาเป็นผู้แสดงเรามาเป็นผู้ดูละครดีกว่าไม่เหน็ดเหนื่อยเหมือนกับผู้ที่ต้องมาแสดงละครเพราะแสดงละครก็มีบทหวาดเสียวบ้างมีบทตื่นเต้นบ้างมีบทเสียใจบ้างมีบทร้องห่มร้องไห้มีบททุกข์ทรมานต่างๆทุกยากลำบากต่างๆ การที่เลิกการแสดงได้นี้ดีที่สุดนะอันนี้เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรามาเจอคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าหรือพระ อ, อริยสงสาวกที่จะบอกให้พวกเรารู้ว่าเรากำลังมาเล่นละครกันสิ่งต่างๆที่เราได้รับจากการเล่นละครนี้เป็นของชั่วคราวพอละครจบลงเราก็ ไม่สามารถเอาอะไรไปเป็นของเราได้นอกจากบทบาทที่เราเขียนไว้ที่จะพาให้เราไปเล่นในโรงละครต่อไปถ้าเราเลิกเขียนบทบาทได้เลิกทำบุญทาบาปได้เลิกเลิกการกระทำต่างๆตามความอยากความต้องการได้เราก็จะหยุดการเขียนบทบาทของการแสดงในโรงละครต่อไป เราก็จะเลิกแสดงละครได้พอลงพอละครเรื่องนี้จบลงเราก็ไม่ไปเล่นละครต่อถ้าเราสามารถยุติการกระทาต่างๆตามความโลภตามความอยากของเราได้การจะไปแสดงละครในโรงละครต่อไปก็จะมีก็จะยุติลงแต่ถ้าเรายังยุจหยุดความโลภความอยาก ในการแสดงละครไม่ได้พอละครเรื่องนี้จบลงเราก็ไปเล่นละครอีกลงใหม่ต่อไปเพราะความโลภความอยากมันจะคอยกระตุ้นให้เราต้องไปเล่นละคร อ, อยู่เรื่อยให้เราอยู่เฉยๆแล้วเราจะรู้สึกหืหุดหยิดลำคาญใจไม่ได้ทำอะไรเราเคยเล่นละครเราก็อยากจะเล่นต่อโดยที่เราไม่รู้ว่าเราก็ลังเล่นละคร เรารู้เพียงแต่ว่าถ้าเราได้ทำตามความอยากแล้วเราจะมีความสุขกันเวลาเราไม่ได้ทำตามความอยากแล้วเราเราจะรู้สึกมีความทุกข์มีความหงุดหงิดลำคาญใจมีความไม่สบายใจเราก็เลยยังต้องไปทำอะไรต่างๆตามความอยากของเราอยู่ บางทีก็ต้องทำบาปเพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากได้บางทีก็ไม่ต้องทำบาปบางทีก็ได้ทำบุญถ้าเราได้มามากกว่าที่เราต้องการเราก็แบ่งไปให้คนอื่นก็เป็นการทำบุญไปถ้าเรายังทำอย่างนี้อยู่เรากำลังเขียนบทละครของเราให้เราไปเล่นต่อไปในโรงละครลงต่อไปพอร่างกายเราตายไป ใจผู้เป็นผู้แสดงละครไม่ได้ตายไปกับตัวละครนักแสดงละครก็ต้องไปย้ายลงและไปเล่นโรงละครโรงใหม่เราออกจากโรงละครโลกโลกนี้ของโลกนี้โรงละครโลกนี้เราเรียกว่าโลกกทาสเนี่ยพอร่างกายนี้ตายไปผู้แสดง ก็จะต้องย้ายจากโรงละครโลกธาตุไปสู่อีกโรงละครหนึ่งเรียกว่าโลกทิพย์โลกของดวงวิญญาณ <Yeah. S 1> พอร่างกายตายไปใจผู้เป็นนักแสดงผู้สั่งให้ร่างกายแสดงบทต่างๆก็ไม่มีตัวละครให้แสดงก็ต้องไปเปลี่ยนแสดงในโลกทิพย์ต่อไปตามบทที่ได้เขียนไว้ในขณะที่ อยู่ในโลกกระาตนะถ้าทำบาปบาปก็จะพาให้ไปแสดงเป็น <c oughs> ดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความไม่สบายใจถ้าทำบาปด้วยความโลภก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยที่เรียกว่าเปรต ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าอาสูรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความอาฆาตพยาบาทมีแต่ความทุกข์ความรุ่มร้อนใจด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่านรก หรือถ้าทำบาปด้วยความหลงไม่รู้ว่าเป็นการกระทำบาปก็จะไปได้เกิดเป็นเดรัจฉานได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนี่คือบทต่างๆที่ขณะที่เรากำลังแสดงละครบทนี้อยู่เรื่องนี้อยู่เราก็กำลังเขียนบทละครบทใหม่ของเราต่อไป ถ้าเราแสดงด้วยการทำบาปเราก็จะได้บทบาทที่มีแต่ความทุกข์ยากลำบากมีแต่ความาไม่ดีต่างๆที่เราจะต้องไปแสดงบทต่อไปถ้าเราแสดงของเราบทของเราในปัจจุบันด้วยการทำบุญด้วยการทำความดีต่างๆเราก็จะทำให้ดวงวิญญาณของเรา ไปแสดงบทที่ดีไปแสดงบทของเทวดาเราอยากจะรู้ว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าเวลาที่เราไม่มีร่างกายแล้วเราจะไปแสดงบทบาทแบบที่เราแสดงอยู่ในโลกนี้อยู่ในลักษณะไหนก็ให้เราดูตอนที่เรานอนหลับก็แล้วกัน ตอนที่เรานอนหลับนี้ก็เหมือนกับเรากับร่างกายแยกออกจากกันชั่วขา่าวร่างกายก็เป็นเหมือนคนตายในขณะที่นอนหลับเพราะร่างกายไม่ได้ทําอะไรคนตายก็ไม่ได้ทําอะไรตอนนั้นดวงวิญญาณก็เลยดวงวิญญาณเนือดวงจิตก็ต้องใช้บุญหรือบาปที่ได้ทําไว้ในขณะที่ตื่นนี้มาเป็นตัว สแสดงต่อไปก็จ ะ, สะแสดงในลักษณะของความฝันนี่เองเวลาเรานอนหลับเวลาเราฝันนี่เราจะไม่คิดเราไม่รู้ว่าเรากําลังฝันกันเวลาฝันนี่เราคิดว่าเรากําลังอยู่ในโลกของความเป็นจริงเราจะมารู้ทีหลังก็ต่อเมื่อตอนที่เราตื่นขึ้นมาท่านั้นเองว่าเมื่อกี้นี่เรากําลังฝันไป ขณะที่เราฝันนี้เราจะคิดว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจังฝันดีเราก็คิดว่าเรากาลังสนุกสนานเฮฮาฝันร้ายเราก็กาลังคิดว่าเรากําลังมีเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายใจต่างๆมีปัญหาต่างๆอันนี้แหละเป็นสภาพที่เราจะไปแสดงต่อในโลกทิพย์หลังจากที่ เราออกจากโลกนี้ไปแล้วเราจะไปสะแสดงในมโนภาพของเราในโลกของความฝันถ้าเราทำบาปไว้เราก็จะไปฝันไม่ดีมีแต่ฝันที่ไม่ดีฝันด้วยความหิวโหวยฝันด้วยความหวาดกลัวฝามด้วยความอาฆาตพยาบาทมีแต่ศัตรูรอบด้านคิดฆ่าฟันกันอยู่เรื่อยๆ มีเรื่องมีราวต่อกันอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราได้ทําบุญไว้เราได้เขียนบทที่ดีเราก็จะฝันดีฝันว่าเราได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ไปอยู่ได้ไปรับประทานอาหารระดับห้าดาวโรงแรมห้าดาวอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราจบการแสดง ละครของโลกนี้เราก็จะไปแสดงละครต่อในโลกทิพย์ตามบทที่เราเขียนไว้ถ้าเราทำบุญเราก็จะไปแสดงบทที่มีแต่ความสุขถ้าเราทำบาปเราก็จะไปแสดงบทที่มีแต่ความทุกข์จนกว่าบทที่เราเขียนไว้มันหมดเราก็จะกลับมาเล่นละคร กลับมาโลกนี้กลับมาเล่นละครบทใหม่อีกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเราก็มาเล่นบทบาปตามบทตามบุญตามบาป ท, ที่เราเคยได้ได้เขียนไว้ต่ออนี่คือเรื่องของชีวิตของพวกเราชีวิตของเรานี้เป็นเหมือนตัวละครเปลี่ยนย้ายโรงละครไปเรื่อยตอนนี้เรา แสดงละครในโลกนี้ในโลกกฐาดเดี๋ยวพอจบจากโรงละครโรงนี้เราก็ไปแสดงละครในโลกทิพย์ต่อไปแสดงบทของเทวดาไปแสดงบทของ เ, อเปรดของอสุรกายของนรกแล้วแต่บุญหรือบาปที่เราได้ทํากันในขณะที่เรากําลังมาแสดงละครในโลกนี้ จนกว่าเราจะได้มาเจอคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกที่จะบอกว่าเรากำลังเล่นละครกันอยู่เราหยุดเล่นกันดีกว่าเพราะการเล่นละครนี้มันเหนื่อยมันไม่ว่าจะเล่นบทดีหรือบทไม่ดีมันก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตาย ของของตัวละครพอเรามาเกิดเป็นมนุษย์มาสแสดงบทของมนุษย์ล้วไม่นานต่อไปมนุษย์ก็จะต้องแก่ลงไปต้องเจ็บต้องตายพระพุทธเจ้าเป็นคนทรงค้เป็นผู้ทรงค้นพบว่าสาเหตุที่พาให้เรามาสแสดงละครต่างๆก็เพราะความหลงของพวกเรา ความหลงของพวกเราคิดว่าการแสดงละครบทต่างๆนี้จะให้เรามีความสุขกันแต่เรามองไม่เห็นส่วนที่จะให้ความทุกข์กับเราการ ม, มาเกิดนี้ทำให้เรามีร่างกายที่จะตอบสนองความอยากของเรากันอยากได้อะไรอยากดูอยากฟังนี่อะไรเราก็ใช้ร่างกายพาไปหามาให้เราได้เสพได้สัมผัสได้รับความสุขกัน แต่เราไม่ได้มองไปถึงอนาคตของร่างกายว่ามันจะไม่แข็งแรงไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวไปเพียงอย่างเดียวสักวันหนึ่งมันก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปพอเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาจะตายนี่มันก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจ และการที่จะหาสิ่งต่างๆตามความอยากในขณะที่เราไม่แก่บางทีก็ต้องต่อสู้กันต้องดิน้นรนหากันเหน็ดเหนื่อยกันและบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ไดเ้เวลาไม่ได้ก็เสีย อ, อกเสียใจอีก เ, อเวลาได้ก็ดีใจเดียวเดียวได้แล้วก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกโดยอยากจะได้อย่างอื่นมาเพิ่มอีก ก็ต้องคอยดิ้นหาอยู่เรื่อยๆการดิ้นหาก็ต้องเหน็ดเหนื่อยพอได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วก็เกิดความอยากได้ของใหม่ของเพิ่มมากขึ้นไปอกีกก็ต้องคอยดิ้นคอยดิ้นนนคอยหาอยู่เรื่อยๆงั้นสรุปก็คือความทุกข์มันมีมากกว่าความสุขที่เราจะได้จากการที่เรามาเกิด มามีร่างกายมาทําสิ่งต่างๆตามที่เราอยากได้กันแล้วทําได้มากได้น้อยในที่สุดเวลาร่างกายนี้ตายไปก็เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวได้แค่ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเองแล้วมันก็ความอยากนี้มันก็จะผลักดันให้เราไปไปเล่นละครต่อไปไปเล่นละครในโลกที่ พอออกจากโลกทิพย์ก็กลับมาเล่นละครในโลกนี้ใหม่อีกก็จะเวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิน้นเราให้เรามาเกิดมาแสดงบทดีขนาดไหนให้เป็นมหาเศรษฐีเป็นมหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นอะไรก็ตามมันก็เป็นแค่บทชั่วคราวได้แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปหมดไปแล้วก็ก็ต้องกลับมาเล่นใหม่ ก็ต้องกลับมาเริ่มต้นมาหาใหม่มาสร้างใหม่กันอย่างนี้เหมือนกับไปก่อเจดีกองทรายที่ชายทะเลสร้างให้มันสวยวิจิตพิสดารเท่าไหนพอน้ำขึ้นมามันก็ถูกน้าซัดทิ้งไปหมดสิ่งต่างๆที่เรามาสร้างกันมาหากันในโลกนี้พอเราตายไปมันก็เหมือนกับถูกน้าซัดหายไปหมด ถึงแม้มันจะอยู่มันก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วมันเป็นของคนอื่นฮะของลูกของหลานของทายาทเราแต่เราก็ไม่ได้เอาอะไรไปเราก็ต้องไปเล่นเปลี่ยนลงเล่นไปเล่นนะคร อ, อีกลงหนึ่งแล้วก็แล้วก็กลับมาเล่นลงใหม่ลงนี้กกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกก็จะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดนะ จนกว่าเราจะได้มาเจอคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าพระอริยสงสารบกว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีการหาความสุขเพราะเป็นการหาความทุกข์มากกว่าหาความสุขถ้าเราชั่งน้ำหนักระหว่างความสุขที่เราได้กับความทุกข์ที่เราได้นี้เราได้รับความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะน้ำตาที่เราหลั่งนี้ พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรที่เราร้องไห้กันด้วยความทุกข์ด้วยความเสียใจด้วยความเศร้าโศกเนี่ยมันมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเพราะเรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์อยู่มาร้องหม่มร้องไห้กันไม่รู้กี่แสนล้านครั้ง จนน้ำตาของเรานี่มีมากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรเสีอีกเราควรที่จะยุติวิธีการหาความสุขผ่านทางร่างกายกันอย่าอย่าสวงหาความสุขผ่านตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ต้องเจอกับความทุกข์อย่างมากมายมาหาศาล ให้มาหาวิธีการหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายดีกว่าอันนี้เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบว่าเราสามารถมีความสุขได้อีกแบบหนึ่งและเป็นความสุขที่ดีกว่าแบบที่เรากำลังหากันอยู่ในขณะนี้เพราะว่ามันเป็นวิธีที่จะไม่มีความทุกข์ตามมาแต่มันจะมีความทุกข์ขวางเราอยู่ก่อนที่เราจะเข้าถึงความสุข แบบนี้ได้เราจะต้องผ่านความทุกข์ความทุกข์ที่เราจะต้องสลัดหรือสละสิ่งต่างๆไปนั่นเองความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราต้องยุติการหาความสุขแบบเก่าเพราะการหาความสุขแบบเก่านี้ก็เป็นเหมือนกับการเสพยาเสพติดการที่เราจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขเราก็ต้องหยุด เสพยาเสพติดก่อนตอนที่เราหยุดยาเสพติดเนี่ยมันจะมีความรู้สึกทุกข์ทรมานใจแต่พอเราเลิกเสพได้หายจากติดยาเสพติดแล้วทีนี้ความทุกข์ทรมานใจจากการเสพยาเสพติดก็จะไม่มีอีกต่อไปวิธีการของพระเจ้านี่มันยากตรงที่ว่าเราต้องมาบังคับใจบังคับตัวเราเอง ให้ยุติการหาความสุขแบบเดิมแบบเก่าคือแบบผ่านทางร่างกายนี่เองตอนนี้เราเคยชินกับการหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกงิ้นกายเวลาเราอยากจะดูอยากจะฟังอะไรพอเราได้ดูได้ฟังเราก็มีความสุขใจแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไม่สามารถหาความสุขแบบนี้ไปได้ตลอด พ่าไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็จะต้องมีปัญหาตามมาร่างกายก็จะขาดสมรรถภาพขาดความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของเราได้ต่อไปร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะยากต่อการหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกเล่นกายตอนนั้นแหละมันก็จะเป็นความทุกข์มากยิ่งกว่าความทุกข์ ที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราพยายามที่จะยุติการหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วมาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกนิ้นกายคือมาฝึกจิตใจให้ให้เข้าสู่ความสงบให้ได้ถ้าเราฝึกจิตใจควบคุมจิตใจให้เข้าสู่ความสงบได้ เราก็จะได้พบกับความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วพอเราสามารถเข้าถึงความสุขนี้ได้แล้วเราก็จะสามารถเข้าได้ตลอดเวลาที่เราต้องการหลังจากนั้นแล้วเราจะไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของร่างกายเพราะเราจะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขอีกต่อไป พราะเราสามารถหาความสุขได้ด้วยการควบคุมใจของเราเองให้เข้าสู่ความสงบอันนี้เป็นสิ่งที่ยากในเบื้องต้นเหมือนการปีนภูเขาการหาความสุขแบบพระพุทธเจ้านี้เหมือนกับการปีนภูเขาการหาความสุขแบบผ่านทางร่างกายนี้เหมือนกับเดินลงเขามันง่ายเพราะเราเคยทํามาจนเคยชิน ถ้าเรามีความพร้อมร่างกายเราพร้อมเงินทองเราพร้อมอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายนี้เราไปได้ทันทีอยากจะไปเที่ยวที่ไหนร่างกายพร้อมเงินทองพร้อมไปได้ทันทีอยากจะไปดูมอหรสบบันเทิงอะไรต่างๆถ้าร่างกายพร้อมเงินทองพร้อมเราก็ไปได้ทันทีมันเลยง่าย การหาความสุขผ่านทางร่างกายมันง่ายถ้าเรามีทุกอย่างพร้อมเพียงแต่ถ้าไม่มีความพร้อมเพียงนะเราถึงจะรู้ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นของง่ายถ้าร่างกายไม่พร้อมเงินทองไม่พร้อมจะไปหาความสุขผ่านทางร่างกายก็ยากน่านมันจะต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วในอนาคตร่างกายมันก็จะมีแต่จะเสื่อมลงไปเรื่อย ความสามารถที่จะหาสิ่งต่างๆมาให้เราได้เสพได้สัมผัสก็จะยากขึ้นลำบากขึ้น <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องของวิธีการหาความสุขสองรูปแบบแบบเก่ามันง่ายง่ายตอนนี้แต่มันจะยากตอนปลายตอนที่ร่างกายไม่พร้อมแต่แบบใหม่มันก็ยากตอนต้นเพราะเราไม่เคยหา แล้วเราต้องยุติการหาความสุขแบบเก่ามันก็เลยทำให้รู้สึกยากแต่พอเราหาได้แล้วต่อไปมันก็จะง่ายวิธีของพระเจ้านี้มันจะยากตอนต้นตอนที่เราต้องมาฝึกหัดทำจิตใจให้สงบเราต้องมายุติการหาความสุขแบบเก่าซึ่งเหมือนกับการหยุดเสพยาเสพติด เวลาต้องหยุดหยุดยาเสพติดนี้มันก็จะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจไม่มีความสุขแต่เราก็ต้องใช้ความอดทนเพื่อเราจะได้เข้าถึงความสุขที่ปลอดภัยปลอดสจากความทุกข์ต่อไปถ้าเราอยากจะได้ความสุขแบบพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรพยายาม ที่จะพยายามสร้างความสงบให้เกิดขึ้นมาภายในใจและอดทนต่อความอยากที่อยากจะกลับไปหาความสุขแบบเดิมอยากหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรพยายามพยายามควบคุมจิตใจให้หยุดคิดให้หยุดอยากได้ต่อไปจิตใจของเราก็จะสงบนะ พอจิตใจของเราสงบแล้วทีนี้เราก็จะได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้ผ่านทางร่างกายเพราะว่าเป็นความสุขที่เราสามารถที่จะสั่งให้มันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาที่เราต้องการไม่เหมือนกับความสุขผ่านทางร่างกายที่บางเวลาเราก็สั่งไม่ได้บางเวลาเราก็สั่งได้อันนี้คือ เรื่องของการที่เราจะได้เปลี่ยนวิถีการดำเนินวิธีหาความสุขของเราเราจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาเจอคนฉลาดคือได้เจอกับพระพุทธเจ้าหรือเจอกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่จะบอกบอกว่าวิธีการหาความสุขของเราปัจจุบันนี้ เป็นเหมือนกับความสุขที่เราได้จากการไปเล่นละครเท่านั้นเองพอเราเลิกเล่นละครความสุขต่างๆที่เราได้จากลงละครก็หมดไปให้เรามาหาความสุขที่เป็นของเราตลอดเวลาดีกว่าโดยที่เราไม่ต้องไปเล่นละครให้เหน็ดให้เหนื่อยให้วุ่นวายคือให้มาควบคุมใจของเราทำใจของเราให้สงบให้ได้ดังนั้น ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้เรียนรู้วิธีการที่เราจะมาสร้างความสุขทางใจความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายวิธีการก็มีสามขั้นตอนคือการทำทานการนักษาศีลและการภาวนา อันนี้เป็นเครื่องมือที่เราต้องมีในการที่เราจะใช้ในการสร้างความสุขทางใจสร้างความสุขที่เป็นของนักแสดงไม่ใช่เป็นของโรงละครถ้าเราใช้ร่างกายใช้ราบยศสนรเริญเป็นเครื่องมือก็เท่ากับเรากำลังใช้ความสุขของโรงละครพอเวลาเราออกจากโรงละครไปเราก็จะไม่มีความสุข แต่ถ้าเราใช้ความสุขที่เป็นของเราของนักแสดงเวลาเราไม่ได้แสดงละครเราก็ยังมีความสุขได้จากการที่เร า, เามาสร้างความสุขให้กับนักแสดงความสุขของพวกเราที่เป็นนักแสดงที่จะเป็นของเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนา การภาวนาก็คือการปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบเรียกว่าสมาธิสอนใจให้ฉลาดเรียกว่าปัญญานีอ่อันนี้คือวิธีการที่จะทำให้เราได้เข้าสู่ความสุขของของเราของใจที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องอาศัยเข้าของเงินทองต่างๆขั้นตอนแรกก็ให้เราหยุด ใช้เงินทองในการหาความสุขจากสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายให้เอาเงินทองนี้ไปทาบุญทาทานแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวก็ให้เอาเงินไปทำบุญทำทานเพราะความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานนี้จะเป็นของนักแสดงเป็นของเรามันจะอยู่กับเรานานกว่าความสุขที่เราได้ผ่านทางร่างกายเวลาที่เราไปเที่ยว เราไปซื้ออะไรมามันจะเป็นความสุขเดียวเดียวเวลาไปเที่ยวเราจะสนุกสนานเพลิดเพลินกันพอกลับมาบ้านความสุขเหล่านั้นก็จะหายไปแล้วก็จะปล่อยให้เรามีความรู้สึกว่าอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวขาดขาดอะไรอยู่แต่เวลาเราเอาเงินไปทำบุญทาทานกลับมาบ้านนี้เราจะไม่รู้สึกว้างว้างเปล่าเปลี่ยวเราจะมีความรู้สึก มรู้สึกพอไม่รู้สึกหิวกับการไปเที่ยวกับการไปซื้อข้าวซื้อของไม่จําเป็นต่างๆอันนี้เป็นวิธีขั้นแรกถ้าเรายังใช้เงินทองในการหาความสุขให้เปลี่ยนวิธีใช้เงินทองไปในทางที่เป็นประโยชน์กับจิตใจเพราะการทําบุญทําทานนี้เป็นเหมือนกับไปซื้ออาหารให้กับจิตใจครับ ส่วนการไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆนี่เป็นเหมือนไปซื้อยาเสพติดมีความสุขเหมือนกันแต่สุขคนละอย่างสุขแบบยาเสพติดกับสุขแบบอาหารนี่มันต่างกันสุขแบบอาหารมันเป็นประโยชน์กับร่างกายสุขแบบยาเสพติดนี้มันเป็นพิษเป็นอันตรายต่อร่างกายฉันใดการใช้เงินตามความอยากต่างๆก็เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจ พอมันจะคอยมาสร้างความหงุดหงิดลำคาญใจให้อยู่เรื่อยๆให้อยากไปเที่ยวอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยอยู่เรื่อยๆนั่นเองส่วนการทำบุญทาทานนี้มันทำให้ใจอิ่มใจพอใจจะไม่รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเงาหรือ ว, ว้าเหวเวลาที่ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปไปซื้อของอะไรต่างๆอันนี้เป็นขั้นขั้นที่หนึ่งถ้าเรายังใช้เงิน ซื้อความสุขต่างๆอยู่ให้ใช้เงินไปกับการทำบุญทำทานแล้วก็ให้เรามาหาความสุขจากการไม่ทำบาปกันเพราะการทำบาปนี้จะทำให้จิตใจเราว้าวุ่นขุนหัวไม่สบายไม่สบายใจแล้วเราจะต้องไป ทําอะไรไม่ดีเพื่อที่จะทําให้เราสบายใจเช่นเวลาเราโกรธใครเราก็อยากจะไปทําร้ายเขาเราถึงจะสบายใจแต่ทําไปแล้วมันกลับจะเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจมากขึ้นเพราะมันจะมีโทษตามมาเวลาเราไปทําบาป <America. S 2> ทําผิดกฎหมายเราก็ต้องหวาดกลัวกับโทษที่เราจะต้องไปรับใช้แต่ถ้าเรารักษาศีลได้ห้ามใจไม่ไปทําบาปได้เวลา จะคิดไปทำบาปด้วยความโกรธก็ดีด้วยความโลดก็ดีถ้าเรามีศีลมันก็จะเบรกไว้ว่าอย่าไปทำทำแล้วได้ไม่คุ้มเสียสิ่งที่เราได้มาอาจจะให้เรามีความดีใจสุขใจในเบื้องต้นแต่มันจะมีความทุกข์ความวิตกกังวลใจตามมาและอาจจะต้องไปรับใช้โทษต่อไปถ้าถูกจับได้อันนี้ก็มีไว้เพื่อทำ เพื่อป้องกันให้ใจของเราไม่ให้ไปสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเพื่อให้ใจของเราจะได้เป็นปกติอยู่เป็นปกติสุขแล้วถ้าเรารักษาศีลได้ใจเราจะไม่วุ่นวายเหมือนกับคนที่ไม่ได้รักษาศีลความวุ่นวายจะไม่เกิดจากการทำบาปถ้าเราไม่ทำบาปเมื่อเราไม่ทำบาปแล้วใจเราก็จะเป็นปกติ ที่รับที่จะพร้อมขึ้นไปสู่การทําใจให้สงบได้ถ้าเราทําบาปนี้ใจมันจะวุ่นวายมันจะทําใจให้สงบยากท่านถึงบอกว่าศีลนี้เป็นเป็นขั้นบันไดที่จะนําไปสู่การปฏิบัติขั้นต่อไปก็คือขั้นภาวนาถ้าไม่มีศีลนี้ใจจะ ไปทำบาปทำกรรมแล้วก็จะมีความวุ่นวายใจต่างๆตามมาเวลาจะไปฝึกจิตทำจิตให้สงบนี้มันจะยากเพราะเวลาจะนั่งสมาธิเดี๋ยวก็มีความวิตกกังวลกับบาปที่ได้ทำไว้นั่นเองมันก็จะมาคอยรบกวนใจ ทำให้การทำใจให้สงบนี้เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาที่จะมาสร้างความสุขทางใจมาทำใจให้สงบจึงจำเป็นต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก้นต้นก็ให้รักษาศีลห้าไปก่อนพอรักษาศีลห้าได้แล้วก็ให้มาเพิ่มเป็นศีลแปดพอศีลแปดนี้จะมาช่วยระงับ ความอยากของใจที่จะไปหาความสุขผ่านทางร่างกายนั่นเองสีนห้าสินแปดนี้เป็นเหมือนสินสองสองสองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็เป็นการห้ามกระทำบาปเช่นไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ให้โกหกหลอกลวงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาห้ามใจไม่ให้ไปไม่ให้ไปหาความสุขผ่านทางร่างกายคือไม่ให้ไปร่วมดับนอนกัน ไม่ให้ไปรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ให้ไปดูมหรศลศพบันเทิงต่างๆไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเสริมสวยความงามทางร่างกายแล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปอันนี้เพื่อที่จะเอาเวลาจากการทำกิจกรรมเหล่านี้มาใช้กับการ ฝึกจิตทำจิตให้สงบนั่นเองถ้าเรายังทำกิจกรรมเหล่านี้อยู่ยังไปเที่ยวยังไปกินอาหารข้ามอาหารเย็นกันอยู่ยังไปดูหนังฟังเพลงยังไปร่วมดับนอนกับแฟนอยู่เราก็จะไม่มีเวลามาฝึกจิตนั่นเองไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติจิตตภาวนามาทำจิตใจให้สงบ เราก็เลยต้องระ ง, งับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ด้วยการถือศีลแปดขั้น 8. ต้นเราก็ถือศีลห้าไปก่อนพอเราถือศีลห้าได้เราก็จะมีกําลังที่จะเพิ่มเป็นศีลแปดได้ถ้ายังถือศีลห้าไม่ได้จะไปถือศีลแปดมันก็คงจะยากดังั้นเบื้องต้นลองถือศีลห้าให้ได้ก่อนพอถือศีลห้าได้แล้วก็ลองมาหัดถือศีลแปดอาทิตย์ละครั้งก่อน เทนวันพระเปลี่ยนจากศีลห้ามาเป็นศีลแปดแล้วก็มาอยู่วัดถ้าอยู่ได้หรืออยู่ที่ไหนก็ได้อยู่คนเดียวเพื่อที่เราจะได้ไม่มีอะไรมาบรบกวนการปฏิบัติการทำจิตใจของเราให้สงบถ้าเราอยู่กับคนอื่นการถือศีลแปดก็อาจจะยากเพราะคนอื่นเขาอาจจะมีกิจกรรมต่างๆที่เราไม่สามารถทำได้ อ๋อจะกินข้าวหลังเที่ยงวันไปแล้วเราก็กินไม่ได้พอเห็นเขากินก็ จ, จะทำให้เราหิวตามเขาขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะห้ามใจของเราได้ฉะนั้นถ้าเราต้องการถือศีลแปดเราควรจะไปอยู่กับพวกที่ถือศีลแปดหรือไม่เช่นนั้นก็ไปอยู่คนเดียวจะได้ไม่มีอะไรมากวนใจมายั่วใจนั่นเอง ถ้าไปอยู่กับคนที่ก็ไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวเขาดูหนังเราก็อยากอดดูกับเขาไม่ได้เดี๋ยวกินข้าวเย็นเราก็จะอดกินข้าวเย็นกับเขาไม่ได้ใจของเราก็จะปวนจะไม่จะไม่นิ่งไม่สงบเราเลยต้องไปปรีกวิเวกกันสำหรับผู้ที่ต้องการหาความสุขจากความสงบนี้จาเป็นต้องไปหาสถานที่ที่สงบวิเวกวิเวกก็คือปัศจาก แสงสีเสียงสิ่งต่างๆที่มาคอยยั่วยวนกวนใจนั่นเองเช่นไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาไปอยู่กับพวกที่เขามีศีลเพราะคล้ายๆกับเราอยู่กับพระนี่พระท่านก็มีศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยิบเจ็ดกันก็จะไม่มีใครมารบกวนกันต่างฝ่ายต่างก็แสวงหาความสงบกัน ถ้าต้องการที่จะหาความสงบก็ต้องไปหาสถานที่ที่ที่สนับสนุนในการบําเพ็ญในการสร้างความสงบให้กับใจจึงจึงเป็นธรรมเนียมของผู้ที่ถือศีลแปดมักจะไปอยู่วัดกันไปอยู่วัดที่มีการปฏิบัติศีลเหมือนกันมีการปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิเหมือนกันมีการศึกษาธรรมะเพื่อให้เกิดปัญญาเหมือนกัน ก็ต้องมีสถานที่ที่สนับสนุนเราก็ต้องไปได้ก็เฉพาะวันที่เราหยุดทำงานสมัยก่อนวันพระนี้เป็นวันหยุดทำงานญาโยมก็จะว่างจากภารกิจการงานก็จะได้ไปอยู่วัดสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะไปถือศีลแปดไปเจริญจิตตะภาวนาไปทำจิตใจให้สงบไปสอนจิตใจให้ฉลาด ด้วยการฟังเทศฟังธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านพอได้ไปสปอไปได้ปฏิบัติอาทิตย์ละครั้งพอได้ผลได้สัมผัสกับความสงบถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็จะเห็นความแตกต่างกว่าความสงบกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะเกิดมีความศรัทธาเพิ่มมากขึ้น มีความยินดีที่จะหาความสุขจากความสงบมากขึ้นต่อไปก็อาจจะหาเวลาเพิ่มมากขึ้นให้กับการปฏิบัติเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปใช้กับการทำอาหากินนี่ก็เพื่อไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนั่นเองแต่เมื่อเราเห็นว่าความสุขจากทางตาหูจมูกนิ้นกายมันสู้ความสุขจากการทำใจให้สงบไม่ได้ เราก็เอาเวลามาหาความสงบดีกว่าแทนที่จะไปหาเงินทองเพื่อที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ลดเวลาลงลดเวลาหาเงินหาความสุขทางตาหูจ ม, มูกิือกายเราก็จะมีเวลาเพิ่มที่จะมาหาความสุขจากความสงบจากการที่เราเคยมาวัดมาอยู่วัดอาทิตย์ละวันก็ จ, จะเพิ่มเป็นสองวันเพิ่มเป็นสามวันแล้วแต่ ความศรัทธาแล้วแต่ความยินดีในการแสวงหาความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าเราได้ผลมากขึ้นจากความสงบเราก็จะมีความยินดีที่จะมีหามาให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วความสุขสองแบบแล้วเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้สุขมากกว่าและสบายกว่าและปราศจากพิษปราศจากภัย ไม่เหมือนกับความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ไม่แน่ไม่นอนบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีอันนี้จะทําให้เรามีความยินดีในการหาความสุขจากความสงบมากขึ้นเราก็จะหาเวลาให้กับการไปหาความสุขจากความสงบเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับในที่สุดบางทีเราก็จะไปบวชกันเลยหรือไปอยู่วัดกันอย่างท้าวร เพื่อที่เราจะได้มีเวลาหาความสุขจากความสงบได้อย่างเต็มที่นั่นเองเมื่อเราได้มีเวลาที่จะหาอย่างเต็มที่ไม่นานเราก็จะได้ความสุขแบบเต็มร้อยขึ้นมาอยู่ภายในใจของเราเราก็จะไม่ต้องพึ่งร่างกายอีกต่อไปร่างกายจะเป็นอะไรจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดเราจะ <c oughs> มีความสุขได้ตลอดเวลาร่างกายแก่ก็มีความสุขได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีความสุขได้ร่างกายจะตายก็มีความสุขได้เพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายใช้ความสามารถในการภาวนาคือใช้สติใช้ปัญญาถ้ามีสติควบคุมใจให้สงบใจก็จะสงบถ้ามีปัญญาสอนใจให้กําจัด ที่มาทำลายความสงบของใจคือกิเลสตัณหาถ้าปัญญาทำลายกิเลสตัณหาได้ต่อไปก็จะไม่มีอะไรมาทำลายความสงบของใจที่ได้จากการเจริญสติต่อไปก็ไม่ต้องเจริญสติไม่ต้องเจริญปัญญาเพราะว่าจิตจะสงบตลอดเวลาเพราะไม่มีอะไรมาคอยทาลายความสงบที่ได ได้จากสติได้จากปัญญานั่นเองจิตก็จะสงบไปตลอดเวลาไม่หิวไม่อยากกลับอะไรไปตลอดเวลาก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเมื่อไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังเจอกันอยู่ในขณะนี้พวกเรานี้เจอกับความทุกข์ตั้งแต่มาเกิดเนะ พราเกิดแล้วก็ต้องดิ้นรนต่อสู้คอยเลี้ยงดูร่างกายคอยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ต้องคอยหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาไม่ได้ก็เสียใจหรือเวลาได้มาแล้วเสียไปก็เสียใจอีกมีแต่ควัมีแต่ความทุกข์ตามมาเสมอถ้าเราหาความสุขแบบผ่านทางร่างกาย แต่ถ้าเรายุดติดเราก็ไม่ต้องมาเจอความทุกข์แบบที่เรากำลังเจอกันอยู่ขณะนี้เราก็จะไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้จนกระทั่งมีน้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรเพราะว่าเราไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมาหาความสุขแบบเดิมแล้วเรามีเรารู้จักวิธีหาความสุขแบบใหม่ที่พระเจ้าเป็นผู้ค้นพบและนำมาสอนพวกเรา ถ้าเราเชื่อเรามีศรัทธาแล้วเราลองปฏิบัติตามทำจากง่ายไปหายากขั้นตอนก็ทำขั้นทานให้ได้ก่อนเคยใช้เงินใช้ทองกับของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นจากใช้กับบหะหรสพบันเิงกับการท่องเที่ยวเอาลองมาใช้กับการทำบุญทำทานดูเปรียบเทียบดูความสุขสองแบบนี้แบบไหนจะดีกว่ากันแล้วเราก็จะเห็นผล แล้วเราก็จะรู้ว่าการทําบุญนี่ดีกว่าการเที่ยวเพราะมันจะทําให้เราไม่ต้องดิ้นหลนไปหาเงินหาทองมาเที่ยวมาใช้อยู่เรื่อยๆมันก็จะทําให้เรามีเวลาไปรักษาศีลไปภาวนาไปปฏิบัติธรรมได้ขอให้ลองทําไปทานศีลภาวน า, า, วน า, าทํท า, า, าทไปตามกําลังของเรารับรองได้ว่ามันจะพาเราพัฒนาขึ้นไปจากทานไปสู่ศีลจากศีลไปสู่การภาวนา จากสมถภาวนาไปสู่วิปัสนาภาวนาไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตามลำดับต่อไปก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปพิจารณาและไปปฏิบัติการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปริกปุเรนติสากลัง เอวเมวาวิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจโตสัพเพบุเรนโตสังกปาจันโทปนะราโสยธามณิชตีราโสยธาสัพพิตโยวิวัจจันโต สัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขิทีคายยโกภวะอภพิวัฒนสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโสุขังฮาลา ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เฉพาะช่วงนี้หลังจากเลิกประชุมแล้วจะของดถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ทาง f a c e b o o สองร้อยห้าสิบสามคนครับ y o u t u สอง1้อสิบเจ็ดคนครับ วิทยุออนไลน์ยี่สิบแปดคนครับผู้รับฟังบนเขาร้อยี่บสามคนครับรวมทั้งหมดหกร้อยยี่สิบเอ็ดคนครับถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยนะพูดดังๆพูดใกล้ปากเลยนะ้าานำมัสการค่ะคือถ้าเกิดมันมีภาวะที่นั่งแล้วมันเหวี่ยงหมุนนะฮะแต่ว่าตัวเราไม่ได้หมุนนะคะ แต่แรงเหวี่ยงดูดเนี่ยมันมันแรงมากจนเราภาวนาแล้วมันมันไม่หยุดนะคะก็เลยเลิกนั่งสมาธิก็เลยจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเกิดเจอภาวะอย่างนี้อีกควรทำยังไงคะนั่งแบบไหนละ่ะนั่งเฉยเฉยหรือเปล่ามีพุโทโธหรือปเปล่ามีพุโทโธค่ะ ถ้าพุโทโธมันก็ให้อยู่กับพุโทโธไปไม่ต้องไปสนใจกับ mm hmm. อะไรที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไป mm hmm. มันเป็นมานมาผจน mm hmm. มานมาแกแล้งเรามันเป็นกิเลสสมานเราต้องมีความแน่วหน้าต่อกับ ก, บการบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆ mm hmm. ไม่ต้องสนใจเป็น การต่อสู้กันระหว่างธรรมะกับกิเลสมันอยากจะให้เราเลิกไม่ใช่ไรเรางันเราอย่าเลิกเราต้องรู้ว่านี่เป็นเป็นกลของมันเป็นเลข่ของมันมันพยายามที่จะมาสร้างอะไรเป็นอุปสรรคให้เรารู้สึกอึดอดัดรู้สึกหวาดกลัวหวาดเสียวแล้วไม่กล้านั่งเท่านั้นเองไม่ต้องไปกลัวมันเป็นมันเป็นภาพหลอนเหมือนเหมือนดูหนังผีมันไม่ใช่ของจริง หนังผีเรายังขนาดดูเรายังกลัวเลยใช่ไหมออันนี้ก็เหมือนหนังผีเนี่ยมันนั่งไปแล้วมันก็หลอกสร้างอะไรขึ้นมาในใจของเราเองก็มันอยู่ในใจของเราไปกลัว ม, มันทําไมมันทอะไรเราได้ก็คือเราต้องสู้ด้วยกันอยู่กับพุทธโธพุทโธไปแล้วสวดมนต์ไปก็ได้ถ้าพุทโธไม่รู้สึกใจเอาไม่อยู่ก็สวดอิติปิโสภักขวาอาราหังสัมมาสัมพุทโธไปสวดไปลายลายจบ จนกามันจะสงบลงแล้วการที่เรานั่งสมาธิเนี่ยค่ะคือสมมุติว่าเรานั่งแล้วเราเราตั้งใจไว้ว่าเรานั่งแค่ครึ่งชั่วโมงหรือสิบห้านาทีแล้วพอเราออกจากสมาธิกลับไปนอนเนี่ย มันมีสภาวะที่ว่ามันไม่ยอมหลับอะค่ะแล้วมันเหมือนอยากอยากจะกลับมานั่งสมาธิก็อย่าไปกำหนดเวลาสินั่งไปจนกว่ามันจะนั่งไม่ได้แล้วก็ไปนอนถ้ามันนั่งได้มันอยากจะนั่งต่อให้มันนั่งไปมันไม่เสียหายนั่งยิ่งนั่งได้มากยิ่งดีมันเป็นสภาวะที่จิตตื่นแล้ว่ะค่ะนั่นแหละมันมีสติไงจิตจิตมีสติแล้วมันจะตื่นแล้วมันจะสงบด้วยออ พอถ้ามันนอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมานั่งต่อสิคนเขาอยากจะนั่งนานๆไม่อยากจะนอนอันนี้เราอยากจะนอนไม่อยากจะนั่งมันแต่มันไม่นอนเนี<ม>่ยก็อย่าอย่าอย่าไปนอนให้ว่านอนสู้นั่งสมาธิไม่ได้<ม>ได้ประโยชน์ต่างกันนอนเมื่อไหร่ก็นอนได้เวลามันไม่มีเรี่ยวมีแรงมันเดี๋ยวมันหมดแรงมันก็หลับเอง ถ้าตอนที่มันมีสตินี่มันมีเวลาที่เราจะได้มาตักตวงประโยชน์จากการนั่งสมาธิควรจะรีบใช้เวลานั้นมานั่งสมาธิดีกว่าไปพยายามบังคับให้มันนอนนะ่นมันจะเครียดนอนไม่หลับไปอีกยิ่งอยากให้มันหลับมันยิ่งไม่อยากมันยิ่งไม่หลับใหญ่งั้นอย่าไปฝืนจิตถ้ามันไม่ยอมนอนก็อย่าไปนอนมันอยากจะตื่นก็ปล่อยมันตื่นอยู่กับพุทโธนั่งสมาธิต่อไป ไม่ไม่ใช่สภาวะฟุ้งซ่านะใช่ไหมครับอ่าถ้าฟุ้งมันก็ต้องคิดนู่นคิดนี่เนี่ยถ้ามันไม่คิดนี่มันเพียงแต่มันเตือนมันไม่อยากจะนอนมันไม่อันนั้นก็เรียกว่าภาวะของจิตที่มีสติต่อเนื่อง ม, มีสัมปชัญญะเนี่ยนี่เรียกสติสัมปชัญญะขอบคุณค่ะงั้นดีนะเป็นเวลาที่เราจะได้เข้าสมาธิได้ลุกขึ้นมานั่งต่อเลยถ้าไม่อยากพุโทโธก็ดูลมหายใจแทนก็ได้ ดูไปเชยๆหายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวจิตก็จะสงบค่ะขอบคุณค่ะอืมไม่ต้องกลัวเวลาอะไรมีในใจมันไม่ทํำลายใจไม่ได้หรอกใจเป็นผู้ผลิตขึ้นมาหลอกใจเองง่ายใจเหมือนมันจอทีวีผีบนผีในจอทีวีมาทําลายทีวีไม่ได้หรอกเนาะเราเพียงแต่ปิดมันเรา ใช้พุโทโธหยุดมันพุโทโธพุธโทโธเดี๋ยวมันก็หยุดมันก็หายไป <c oughs> แล้วจอ็จะว่างใจก็จะว่างเย็นสบายมีความสุขแต่มันเป็นอุปสรรคของผู้ปฏิบัติทุกคนจะต้องเจออะไรคอยขวางทางอยู่เลยนั่งไปนิดบางทีก็รู้สึกแน่นหน้าอกแน่นศีษะอะไรขึ้นมาปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้อย่าไปสนใจ มันเป็นเรื่องของมานมันสร้างขึ้นมาขวางทางเราให้อยู่กับพุทโธไปไม่ต้องไปสนใจกับอะไรดูลมก็ดูลมไปพุทโธก็พุทโธไปเดี๋ยวมันก็ยอมแพ้มันก็หยุดเองแล้วใจก็จะว่างเย็นสบายมีความสุขมีคำถามไหมโยมเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้ไปเสียงจะได้ดังฟังชัดรอแป๊บหนึ่ง ช่วยพูดใกล้ๆปากหน่อยนะมั้ ย, าายเพราะมันไม่ไวพระอาจารย์เจ้าคะ่ะหนูเดินจงกรมอ่ะเจ้าคะ่ะพอเดินอยู่ชั่วโมงหนึ่งมีแต่ตัวคิดคิดคิดคิดจนตัวรู้หนูเอาไม่ทันนะคะคิดคิ ด, คดตลอดหนูดเดินแบบไ ม, <ะ>ไม่มีสติเดินไม่มีสติมันก็คิดจะสิต้องมีสติคอยควบคุมจะใช้พุโทโธไปก็ได้เดินไปก็พุโทโธพุโทโธไป หรือเดินไปดูเท้าไปก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปแล้วมันก็จะไม่คิดคออมันอาจจะคิดแต่มันจะคิดน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ไปสนใจมันให้เรามาสนใจอยู่กับพุทโธพุทโธแล้วสนใจอยู่กับเท้าที่เราเดินอ๋อเจ้าค่ะมันเอาไม่อยู่อ่ะเจ้าค่ะก็เราเดินเฉยๆมันเดินช้อปปิ้งเงี้ยมันก็เอาไม่อยู่เห็นข้าวเห็นของมันก็อยากได้อยากซื้ออยากอะไรมันก็คิดไปเอไม่ใช่เดินจงกลมอย่างเง้ยก็เลยเดินช้อปปิ้ง เดินไปก็ดูต้นไม้ใบา ย, ยา่้าดูนู่นดูนี่ไม่ใช่เดินจงกรมถ้าเดินจงกรมต้องเดินกับพุทโธพุทโธไปแล้วดูเท้าไปน ะ, ะรับรองได้ว่าเราจะจะจะหยุดคิดได้คำถามจากธรรมะในส่วนครับขอความเมตตาหลวงพ่อมีอยู่สามข้อครับผมขอหนวาทางในการปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติใหม่ด้วยเจ้าค่ะ เพื่อปฏิบัติใหม่ก็ต้องพยายามเจริญสติให้มากพยายามให้มีอะไรครวบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยจะพุโทโธพุโทโธไปก็ได้ไม่ว่าเราทำอะไรก็พุโทโธไปเดินยืนนั่งนอนธรรมรับประทานอาหารกวาดปัดกวาดสถานที่ซักเสื้อผ้าอาบน้าอาบท่าก็พุโทโธพุโทโธไป อย่าปล่อยให้คิดนะประการที่สองก็อย่าจับกลุ่มคุยกันอย่าคุยกันผู้ปฏิบัตินี้ไม่ต้องการที่จะมีมนุษยสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์นี่สำหรับผู้ครองเรือนผู้ปฏิบัตินี้ต้องการที่จะดึงใจเข้าข้างใน ไม่อยากจะรับรู้เรื่องของชาวบ้านเขาชาวบ้านใครจะเป็นอะไรเรื่องของเขาอย่ามาคุยสนทนากาเลนินทากาเลกันเสียเวลาพยายามปีกวิเวกอย่ามาจับกลุ่มคุยกัน มารวมกันทํากิจที่ร่วมต้องร่วมทํากันเวลาทํากิจก็ต่างคนต่างทําไปอย่าคุยกันช่วยกันกวาดก็กวาดกันไปช่วยกันถูก็ถูกันไปไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกันนอกจากมีความจําเป็นจะต้องบอกอะไรก็พูดได้เช่นว่ากําลังทําอะไรผิดก็บอกได้ว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเอย่าอย่ามา ทักทายกันเป็นไงสบายดีเหรออย่างงู้นงี้เดี๋ยวมันจะฟุ้งไม่ใช่นะเราต้องการควบคุมความคิดเพราะใจจะสงบได้ใจยังมีความสุขได้ต้องหยุดความคิดต่างๆงั้นพยายามปรีกวิเวกแยกกันอย่าคุกคีกันถึงแม้จะอยู่ในสถานที่เดียวกัน ถ้ามาเจอกันมารวมมาทำกิจกรรมร่วมกันก็ต่างคนต่างทาไปเหมือนกับไม่รู้จักกันเหมือนกับโกรธกันสมัยพุทธกาลมีพระท่านปฏิบัติแบบนี้ชาวบ้านเห็นก็งงเอ๊ะพระโกรธกันหรือเปล่ามาถามบอกไม่ได้โกรธกันหรอกพระท่านก็ต่างคนต่างทาหน้าที่ของท่านท่านต้องการควบคุมจิตใจให้สงบไม่ให้คิดถ้ามาคุยกันแล้วมันก็ เกิดมันก็จะฟุ้งไม่เกิดประโยชน์อะไรฉะนั้นให้อยู่เหมือนกับโกรธกันเกลียดกันไม่อยากจะคุยกันไม่อยากจะพูดจากันแต่ไม่ได้โกรธกันจริงๆนะมีความเมตตาต่อกันมีความยินดีที่จะดูแลกันช่วยเหลือกันถ้ามีเหตุที่จะต้องให้มาช่วยกันแต่ถ้าไม่มีเหตุ ก, ก็ต่างคนต่างอยู่ไปอัตตาหิอัตโนนาโธไป ฝึกสติควบคุมมีเวลาว่างก็นั่งให้มากไม่ต้องนั่งกําหนดเวลานั่งไปจนกว่าจะทนนั่งไม่ไหวข้าลุกขึ้นมาเดินเปลี่ยนอิริยาบถต่ใจก็มีสติควบคุมทุกอิริยาบถนั่งก็มีสติเดินก็มีสติไม่ว่าจะทําอะไรก็มีสติถ้าทําอย่างนี้แล้วจิตใจจะก้าวหน้าความสงบจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วจะความสุขความเบาอกเบาใจจะมีมากขึ้น ความคิดอยากจะกลับบ้านก็จะมีน้อยลงน้อยลงอยากจะอยู่ปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะสุขเหนเหนือกว่าความสงบไม่มีคำถามข้อที่สองครับพรุ่งนี้จะมีผู้ปฏิบัติกลับขอข้อธรรมที่จะกลับไปปฏิบัติต่ตอในภาคคารวาตด้วยเจ้าค่ะ ก็ปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติต่อไปสตินี้สามารถจเจริญได้ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าจะอยู่วัดอยู่บ้านอยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่าเราจะทําหรือไม่ทํายากหรือง่ายถ้าอยู่ที่อื่นถ้ามีคนมากที่คนเกี่ยวข้องมากมีเรื่องมากโอกาสที่จะเจริญสติก็ยากขึ้นเพราะว่าต้องใช้ความคิดมากขึ้นก็พยายามคิดให้น้อยลงพยายามเกี่ยวข้องกับคนกับเรื่องให้น้อยลง เรื่องไหนไม่ควรที่จะต้องไปเกี่ยวข้องก็อย่าไปเกี่ยวขอ้องเจียมเนื้อเจียมตัวดีกว่าอย่าไปอวดเก่งอวดดีผู้ปฏิบัตินี่ไม่ต้องการอวดเก่งอวดดีต้องการเจียมเนื้อเจียมตัวเพื่อที่จะได้ลดภาวะความคิดปุงแต่งให้น้อยลงเพื่อที่จะได้จิตใจสงบได้มากขึ้นงั้นกลับไปบ้านก็ปฏิบัติเหมือนตอนที่เรามาอยู่ที่สวนนั่นการมาอยู่ที่สวนนี่ก็ฝึกวิธีดาเนินชีวิตแบบใหม่ เรากลับไปแล้วก็วิธีดำเนินชีวิตแบบใหม่ไปดำเนินต่อไปถึงแม้ใหม่ๆอาจจะล้มลุกคลัางก็ดีกว่าไม่พยายามเลย ไม่ใช่พกลับบ้านก็ทิ้งหมดเลยเท่าที่มาฝึกปฏิบัติสติสตังเราเคยฝึกเรากลับบ้านก็ทิ้งหมดปล่อยให้ใจไปคิดไปวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ก็เสียเวลาเปล่าๆนะกลับไปก็ต้องเอาสิ่งที่เราฝึกหัดไปใช้ต่อถึงแม้ว่าจะใช้แบบโน้มลุกคุกขานก็ดีกว่าไม่ใช้เลยหัดใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเข้มแข็งขึ้นมันจะรู้ มันจะไวขึ้นจะรู้ว่าเผลอมากเผลอเผลอแล้วเอถ้าไม่ไปใช้เลยมันจะไม่รู้ว่าเผลอเลยมันจะไม่รู้คําว่าเผลอเป็นยังไงด้วยซ้ําไปแต่ถ้าพยายามฝึกตั้งสติเยอะเรื่อยเดี๋ยวมันจะรู้ว่าเผลอแล้วนี่ว่าไม่ได้พุโทโธแล้วนี่วยออออต้องพยายามทําต่อไปข้อที่สามครับตอนนี้มีแม่ชีมาบวชปฏิบัติหนึ่งท่านขอแนวทางการปฏิบัติสําหรับแม่ชีด้วยเจ้าค่ะ ก็ต้องถามแม่ชีเราไม่ได้เป็นแม่ชีแม่ชีปฏิบัติยังไงก็สอนเขาไปสิเราเป็นพระนมสอนก็เหมือนกันไยก็ศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันก็ต้องรักษาศีลของแม่ชีให้บริสุทธิ์พยายามฝึกสติให้นั่งสมาธิบ่อยๆแล้วก็ให้ฟังเทศฟังธรรมสลับกันจะได้มีปัญญาอย่าปฏิบัติอย่างเดียวต้องฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะ สลับกันเพื่อจะได้ดูแนวทางว่าเรากำลังปฏิบัติในทางที่ถูกหรือไม่ถ้าปฏิบัติโดยไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ศึกษาเดี๋ยวจะหลงทางได้นะี่งั้นก็ต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิรับปัญญาก็จะเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับคำถามจากผู้รับฟังบนเขาครับพระอาจารย์หนูอยากจะถามว่า หนูจะขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่เดิมดีไหมหรือจะหยุดขายดีเพราะพวกแม่ค้าด้วยกันเขาไม่ชอบเราตอนนี้ลูกค้าก็เหมือนจะหนีกันหมดครับก็ดูที่กําไรเลือขาดทุนดิถ้าขาดทุนก็เลอกขายดีกว่าถ้ายังกําไรอยู่ก็ขายต่อไปแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจปากแรงปากกา เรื่องของเขาเรื่องของชาวบ้านเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เราไปสั่งให้เขารักเขาชอบเราไม่ได้เขาจะโกรธจะเกลียดเราก็ปล่อยเขาโกรธไปให้ยึดคําหลักที่พระเจ้าสอนว่าถ้าเขาไม่ชอบเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ทุบทําร้ายเราถ้าเขาทําร้ายเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเรา ถ้าว่าข้าเราก็ดีแล้วฉะนั้นมันองขายก๋วยเตี๋ยวอีกต่อ <laughs> <laughs> นะให้คิดอย่างนี้เราจะสบายใจคำถามจากทางเฟซบุ๊นะคะจากคุณรักเธอจริงๆประเทศไทยกับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะนั่งสมาธิภาวนาพุทโธและดูลมหายใจประมาณสองชั่วโมงแล้วจิตนิ่ง มีเวทนาเกิดขึ้นตัวหายไปเหลือแต่ ว, วทนาและพุโทโธที่ฐานจิตเหมือนกับว่าแยกกายและเวทนาจิตที่นึกถึงพุโทโธที่ฐานออกจากกันหนูจะทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะก็ปล่อยไว้เวทนาไปตามเรื่องของมันอย่าไปยุ่งอย่าไปอยากแล้วจิตก็จะไม่วุ่นวายถ้าไปเกิดความอยากให้เวทนาหายมันไม่หายก็จะเกิดความวุ่นวายใจ เราก็พยายามรักษาจิตยอย่างเดียวให้จิตสงบให้นิ่งถ้ามันอย่างอื่นจะหายหรือไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายหายไม่หายก็ช่างมันเวทนาหายหรือไม่หายก็ช่างมันไม่ไม่เป็นปัญหาปัญหาคือขอให้ความวุ่นวายหายไปขอให้ใจเราสงบเพียงอย่างเดียว คำถามจากคุณทิชาเจ้าค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะลูกชายวัย3ิาขวบเขาเป็นคนเอาแต่ใจและออกจากค่อนข้างดือ้อบางทีก็ไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากทำตามกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆหนูได้พยายามสั่งสอนให้เหตุผลกับเขาเขาก็ไม่ค่อยจะฟังต่อไปถ้าหนูจะปล่อยเขา ให้เขาได้รับโทษตามระเบียบต่างๆอันนี้จะเป็นบาปหรือจะเป็นการปล่อยปะละเลยหรือไม่เจ้าคะใช่ยังเขายังอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเราอยู่เราก็ปล่อยไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถควบคุมดูแลเขาได้เราก็ต้องไปอาศัยที่ที่เขาควบคุมดูแลได้คือส่งไปโรงเรียนดัดสันดานเนี่ยไปบวชเป็นเนร์นก็ได้ หรือไปอยู่ตามโรงเรียนกินนอนก็ได้ที่เขาจะต้องทําตามกฎตามระเบียบถ้าเขาอยากจะแหกกฎแ ห, แหกระเบียบก็ทีนี้ก็เป็นเรื่องที่เราช่วยไม่ได้แล้วเราก็ทําของเราเต็มที่แล้วเมื่อเราไม่สามารถควบคุมบังคับเขาได้เพราะเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาเขาไม่กลัวเราเราก็ต้องอาศัยคนอื่นไปฝากอยู่กับคนอื่นไปอยู่กับโรงเรียนกินนอน ที่เขามีกฎมีระเบียบที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกันถ้าเขายังฝ่าฝืนกฎระเบียบก็ถือว่ามันเป็นกรรมของเราของเขาเสียแล้วที่เราก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของเขาต่อไปต่อไปเขาก็ต้องไปทำอะไรเสียหายแล้วก็จะถูกลงโทษแล้วเขาจะมามาโทษเราไม่ได้ถ้าเราไม่สอนเขาไม่ห้ามเขาเขาอาจจะ มาบทโทษเราทีหลังได้ทำไมพ่อไม่บอกทำไมแม่ไม่บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ดีนี่พ่อบอกแล้วแม่บอกแล้วว่าทำอย่างนี้ไม่ดีอย่าทำนะทำแล้วจะมีโทษตามมาแต่ถ้าดื้อไม่ฟังเหมือนกับอยากจะไปเล่นกับไฟก็ช่วยไม่ได้นะเวลาเล่นกับไฟถูกไฟเผาแล้วก็จะไปโทษคนอื่นไม่ได้เพราะคนอื่นก็บอกแล้วว่าอย่าไปเล่นมันอันตรายมันเป็นเพชรเป็นภัย เราก็ทำได้เท่านี้แต่เราต้องทำสุดความสามารถของเราก่อนไม่ะช่นนั้นเราจะถือเราจะรู้สึกไม่ดีเราจะรู้สึกไม่สบายใจในภายหลังว่าเรามีส่วนในการที่ทำให้เขาเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราทำหน้าที่ของเราแบบเต็มที่แล้วสอนแล้วบอกแล้วส่งไปโรงเรียนดัดสันดานแล้วเขาก็ยังยังแหกโคอกแหกกดอยู่อันนี้ก็เป็นถือว่ามันเป็นกรรมของเขาเป็นสันดานของเขา คำถามจากคุณรัพพีพันธ์ค่ะกลาบนนมัศการพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วเบาเหมือนไม่มีตัวตนตอนนั่งก็ได้กลิ่นเหม็นก็เลยลืมตาเพราะลองนั่งครั้งแรกอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรคะและพอลืมตากลิ่นก็หายไปเจ้าค่ะ กเพราะว่าจิตเรายังไม่สงบเรายังไม่มีสติคอยควบคุมจิตพอยังต้องพยายามใช้สติอย่านั่งเฉยๆอย่านั่งหนับตาเฉยๆเราจะให้จิตมันสงบมันไม่สงบมันก็จะสร้างกลิ่นสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกเราในเวลานั่งต้องมีสติต้องพุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจไป หรืทั้งยังทำไม่ได้ทั้งสองอย่างก็สวดบนใบภายในใจก่อนสวดอิติปิโสไปหลายหลายรอบก่อนสวดจนกระทั่งรู้สึกว่าอยากจะหยุดสวดแล้วก็ลองดูลมต่อไป้วลองได้ว่าจะไม่มีอาการแปลกๆเหล่านี้เกิดขึ้นมา คำถามต่อไปจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกราบนามส ก, การพระอาจารย์ผมชื่อเด็กชายโนพวัฒน์อายุเก้าปีผมอยากถามพระอาจารย์ว่าพระนิพพานอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ใจของหนูนี่แหละถ้าหนูหยุดความโลภความโกรธความหลงได้พระนิพพานก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่ในใจละความโลภความโกรธความหลงละความอยากได้ละกิเลสตัณหาได้ก็จะถึงพระนิพพาน คำถามจากทาง YouTube ค่ะจากคุณนันทพรกราบพระอาจารย์ทำไมชีวิตถึงไม่ได้สัมผัสกับความรักไม่ว่าจะเป็นจากพ่อแม่จากคนรักหรือจากเพื่อนดูเหมือนกับจะไม่สมหวังสักอย่างควรทำอย่างไรดีครับก็พยายามทำตัวเราให้ดีอย่าไปหวังความรักจากคนอื่น ถึงแม้จะไม่มีความรักเราก็มีความสุขได้ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราได้ความสุขจากผู้อื่นเท่านั้นเองถ้าเราหาความสุขจากการทําความดีจะดีกว่าเวลาเราทําความดีเราจะมีความสุขเราไม่ต้องให้คนอื่นมารักเราเพื่อให้เรามีความสุขเพราะการจะให้คนอื่นเขารักเราก็อาจจะทําให้เราทุกข์ได้ถ้าเราไม่ได้ความความรักจากเขา พราะเราไม่สามารถไปสั่งไปบอกเขาได้ว่าคุณต้องรักเราเนีเพราะว่าเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้ดะงนั้นอย่าไปหวังความรักจากคนอื่นอย่าจะไปหวังความสุขจากคนอื่นให้มาหาความสุขจากการกระทําของเราดีกว่าคือการทําบุญทําความดีแล้วเราจะมีความสุขใจภูมิใจในตัวของเรา แล้วเราไม่ต้องมารอให้คนอื่นมาลากเรามายกย่องมาชื่นชมยินดีกับเราคำถามจากคุณพี่คนดีกาลสินค่ะการที่เราไม่เห็นด้วยกับครูบาอาจารย์แล้วเราอธิบายเหตุผลกับท่านถือว่าเป็นบาปหรือไม่เจ้าคะก็ อ, อยู่ที่ว่า อยู่ในกรณีใดถ้าอยู่ในช่วงสนทนาทกันก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้กันได้ตามเหตุตามผลอย่าตอบโต้กันด้วยอารมณ์ก็แล้วกันถ้าท่านบอกว่าช้างเป็นหมาอย่างนี้เราก็ตอบโต้ได้ว่าไม่ใช่ อันนี้เป็นเป็นหมาอันนี้เป็นช้างอย่างนี้ก็พูดได้ไม่เสียหายถ้าเราเป็นการสนทนาเพื่อให้ความรู้ต่อกันแต่ถ้าเป็นการเป็นการสั่งสอนนี้เราตอบโต้ไม่ได้ถ้าครูบาอาจารย์สอนบอกเราถึงแม้ว่าท่านจะพูดไม่ถูกพูดไม่ผิดเราก็ไม่มีหน้าที่ที่จะไปตอบโต้ท่านเราก็ต้องเพียงแต่ฟังเฉย แล้วส่วนเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนี่เรามีสิทธิ์เป็นของเราถ้าท่านบอกว่าหมาเป็นช้างเราก็ไม่เชื่อได้แต่เราไม่ต้องไปบอกท่านว่ามันเป็นหมาไม่ใช่เป็นช้างอย่างนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราเวลาผู้ใหญ่สั่งสอนเรานี่ไม่ควรที่จะไปเถียงไม่ควรที่จะไปแก้อะไรต่างๆที่ท่านพูดปล่อยให้ท่านพูดไปเรามีหน้าที่รับฟังก็รับฟังไป นอกจากว่าท่านถามว่ากูพูดถูกก็เปล่าวะอย่างนี้ก็ก็เราก็บอกไม่ถูกครับเนี่ยหมามันเป็นช้างได้ยังไงอย่างนี้ก็พูดได้ต้องนี่คือต้องรักษาความเคารพนะรักษาความเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ไว้แล้วเราจะอยู่กันอย่างมีความสุข ถึงแม้ว่าเราจะผิดจะถูกเราก็จะไม่โกรธการเกลียดกันแต่ถ้าเรามาเอาผิดเอาถูกกันมาชี้ผิดชี้ถูกกันเดี๋ยวเราก็โกรธเกลียดกันแล้วเราจะอยู่ร่วมกันไม่ได้เราต้องรักษาความสามัคคีความรักกันไว้ส่วนเรื่องผิดถูกนี่ก็เป็นของเรื่องของมันไปถ้าเรามาพูดมาแก้กันได้ก็แก้กันไปถ้าพูดไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมัน แต่อย่างน้อยเราก็รักษาความรักความสามาัคีอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหานะครับคําถามจากอาจารย์ลบค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ปฏิบัติต่อนเนื่องมา10ปีไม่มีความคืบหน้าลองมาหลายวิธีจนงดจนงงไปหมดวิธีไหนก็ไม่ได้ผลควรทําอย่างไรต่อไปครับ ก็ต้องใช้สตินะวิธีไหนก็ต้องเป็นวิธีสติเท่านั้นวิธีสติก็มีสี่สิบวิธีลองไปลองให้หมดดูนะแต่ส่วนใหญ่สําหรับผู้เริ่มต้นนี้ท่านก็สอนแค่สิบวิธีอนุสติพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอานาปนสติมรณานุสติกายคตาสตินี่เป็นวิธีเจริญสติ เราก็เลือกเอาว่าจะเอาอันไหนพุโทโธก็ได้ธรมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือจะสวดอิติปิโสก็ได้แล้วแต่ว่าเราถนัดเราชอบอย่างไหนปัญหาอาจจะไม่ใช่วิธีมั่งปัญห า, า จ, จะอยู่ว่าเราทาแบบนกกระจอกกินน้ำรือเปล่าทำแบบทำปุ๊บสักวินาทีสองเนี่ยวินาทีหยุดทำแล้วแล้วก็มาบอกว่าปฏิบัติสิบปีไม่ได้ผลปฏิบัติอย่างนี้พันปีก็ไม่ได้ผล ถ้าปฏิบัติแบบนกกระจอกกินน้ำเนี่ยมันต้องปฏิบัติแบบเป็นเวลายาวๆมากๆเดินจงกรมทีสองสามชั่วโมงนี้พุทโธนั่งนานๆอะไรอย่างนี้ หรือเวลาไม่ได้นั่งไม่ได้เดินก็ต้องมีสติอยู่กับการกระทาของเราเรียกว่ากายะกตาสติหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องมีพุโทโธคอยกำกับใจอาบน้ำก็พุโทโธล้างหน้าก็พุโทโธแปรงฟันก็พุโทโธถ้าทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องถ้าไม่มีผลขึ้นมามามาเตะเราได้ <laughs> พอใช้มาแล้วมันได้ผลขอให้มันทำแบบจริงจริงยังจังอย่าทำแบบรูปหน้าปาะจมูกทำแบบพอหอมปากหอมคอทำสักแป๊บหนึ่ไม่ได้ผลเลิกะเปลี่ยนวิธีอีกละ ว, วิธีนี้ก็ไม่ถูกวิธีนั้นก็ไม่ถูกมันไม่ใช่วิธีหรอกที่ไม่ถูกมันอยู่ที่การกระทาของเรามันไม่ถูกทำน้อยไปทำไม่มากพอมันก็เลยไม่เกิดผลขึ้นมา คำถามจากคุณฉลองมีทั้งหมดสองคำถามเจ้าค่ะอ๋อสุดท้ายนะสองคำถามสุดท้ายนะั่นนะคำถามแรกเจ้าค่ะการสวดมนต์ไหว้พระจําเป็นไหมครับว่าต้องสวดหลายบทครับไม่จําเป็นหรอกสวดบทไหนก็ได้การสวดเพื่อให้จิตเรามีสติเพื่อเราจะได้ไม่คิดฟุ้งซ่านจิตเราจะได้เย็นสบายคำถามข้อที่สองค่ะ เวลาทำบุญแล้วอุทิศบุญด้วยการใช้บทสวดอิมินายาอิมินายาบทนี้เจ้ากรรมในเวณจะได้รับบุญด้วยไหมครับไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเองยังไม่รู้ว่าเราสวดอะไรเลย การอุทิศบุญนี้ต้องอุทิศจากใจของเราจากความคิดของเราเช่นขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับบิดามารดาผู้ร่วงรับไปแล้วไม่ใช่มาสวดอิมีดาเราก็ไม่รู้ว่าสวดอะไรคนรับมันก็ไม่รู้ว่ามันสวดมันมันอุทิศให้เราหรือเปล่ามันก็เลยไม่ได้รับนะ งั้นเหมือนกับเขียนเช็คอะเขียนเช็คแล้วไปเขียนภาษาแขกดูเลยเดี๋ยวไปขึ้นที่ธนาคารเขาไม่ขึ้นให้หรอกมันต้องเขียนภาษาที่คนธนาคารเขาอ่านได้วเอาส่งให้เขียนให้กับใครจ่ายให้กับใครเงินเท่าไหร่ไม่ใช่ไปเขียนภาษาที่พนาาักงานธนาคารเขาอ่านแล้วไม่รู้เรื่องอันนี้ก็เหมือนกันเวลาอุทิศบุญก็ต้องอุทิศตามภาษาของเราผู้รับเขาก็ใช้ภาษาของเราเขาก็ ร, รับได้ ถ้าเป็นฝรั่งก็อาจจะต้องอุทิศเป็นภาษาฝรั่งถ้าเป็นคนไทยก็ใช้ภาษาไทยอย่าใช้ภาษาใจเนี่ยคือให้เราลึลึกภายในใจว่าขออุทิศส่วนบุญส่วนนี้ให้กับผู้นั้นผู้นี้ที่ล่วงรับไปแล้วถ้าท่านรอรับส่วนบุญนี้อยู่ก็ขอโปรดมารับไปได้เลยนั่นจบไอ้ที่เขาแต่งให้เขียนเพราะบางคนคิดไม่เป็นไง ทีนี้ไปเขียนเป็นภาษาแขกมันก็ไม่รู้เรื่องอีกมันต้องอ่านปคําแปลถึงจะรู้เรื่องว่าอ่าจีมีนานี่แปลว่าขออุทิศบุญให้กับคนนั้นคนนี้เนี่ยถ้ายาถ้าจะสวดก็ไปสวดคําแปลดีกว่าเราจะได้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรกําลังอุดคิดอะไรอยู่อุทิศอะไรรึเปล่าท่านั้นนะอยู่ที่ต้องต้องใช้ภาษาเราต้องมีเจตนาความตั้งใจของเรา ว่าเราจะต้องการแบ่งบุญนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ที่ล่วงรับไปแล้วหมดแล้วใช่ไยมอีกไม่ใช่คนเดียวคนนี้มีสองข้อใช่หมหมดแล้วใช่หมดก็ไว้หมดเวลาพอดีก็ไว้วันหน้าก็แล้วกันคำถามนี้ไม่บูดไม่เน่ากลับมาถามใหม่ได้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัต เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอน